เราเข้าจริงแล้วที่เป็นชาวพุทธแท้ๆที่จะมีโอกาสได้ฟังธรรมะเนี่ยมีไม่มากหรอกส่วนมากทุกวันนี้เราไปเข้าวัดเนะก็ไปงานศพใช่ไหมไม่ค่อยมีงานอย่างอื่นละเวลาจะทําบุญบ้านทีนก็นิมนต์พระมาทีนถึงวันเกิดทีหนึ่งใส่บาตรทีนล้วก็คิดว่าแค่นี้เป็นชาวพุทธล้วในความเป็นจริงแล้วห่างไกลจากความเป็นชาวพุทธมากคนที่เป็นชาวพุทธแท้ๆนะั้นมีจํานวนไม่มากหรอก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 ดันั้นชาวพุทธเราเนี่ยมีโอกาสที่จะได้สัมผัสความสุขอันมหาศาลนี้สุขจริงๆนะสุขมหาศาลนี้พระพุทธเจ้าถึงบอกว่านิพานังปรมังสุ ข, ขัง น, นิพานเป็นบรมสุขนิพานไม่ใช่โลกอุดมกติไม่ใช่สิ่งที่พระพุทธเจ้าเมคขึ้นมาสร้างขึ้นมาเพื่อจะหลอกให้เราทําดีนะไม่ใช่นิพานมีจริงๆริงนิพานอยู่ต่อหน้าต่อตาเรานี่เองแต่ใจของเรามันไม่มีคุณภาพพอที่จะเห็นนิพานเทราะนั้นเอง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 กระทั้งมือตัวเองยังไม่ค่อยใช้เลยเห็นไหมเดี๋ยวนี้ต้องมีมือพลาสติกใช่ไหมมีเท้าพลาสติกเนี่ยไม่มีวัฒนธรรมยกมือหรอกของเราอันนี้เป็นวัฒนธรรมแบบพระพระเนี่ยนะถ้าเห็นด้วยแล้วจะนั่งนิ่งๆถ้าไม่เห็นด้วยถึงจะต้องพูดออกมาคัดขานคนไทยเราก็ไม่ยกมือหรอกรู้จักไหมความใจลอยรู้จักมือไหมมือมือใจลอยสังเกตไหมขนาดที่มือ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 เขาคนนั้นก็คือเรานี่แหละเวลาโทรศัพท์เราต้องทำท่าประหลัดประลาดเคยสังเกตไหมบางคนนะสวยสวยนะเป็นสาวไฮโซสา ว, ส, าวสวยงามเวลาโทรศัพท์เผลอๆนะคุยไปแค่ขี้ฟันไปก็มีนะแค่ขี้หูแค่ขี้ฟันเกาโน่นเกานี่นะเพราะไรมันลืมตัวเองไปงั้นเวลาเราหลงไปอยู่ในโลกของความคิดเมื่อไร่นะเราจะลืมตัวเราเองสังเกตไหมตอนใจลอย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 เมื่อไรหร่ลืมกายเมื่อไรลืมใจนล้วเมื่อนั้นเรียกว่าขาสติงั้นเราหัดรู้สึกตัวนะอย่าใจลอยขั้นแรกหัดรู้สึกตัวเรื่อยท ำ, ทำยังไงจะรู้สึกตัวใจลอยไปเราเรีบรู้วไวจิตแอบไปคิดเรารู้ไวๆว่าจิตหนีไปคิดแล้วนะต้องฝึกอย่างนี้นะจิตแอบไปคิดให้รู้ว่าจิตหนีไปคิดฝึกอย่างนี้บ่อยต่อไปพอจิตไหลไปคิดปั๊บสติจะเกิดเองเราจะรู้สึกเลยเมื่อกี้หลงไปคิดจะรู้สึกว่าเมื่อกี้หลงไปคิด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 เราต้องหายใจออกหายใจออกเพื่ออะไรเพื่อจะแก้ทุกข์หายใจออกไปเรื่อยๆสิทําได้ไหมเราหายใจออกไปสักห้านาทีนะทําไม่ได้นะมันทุกข์อีกแล้วต้องหายใจเข้าเพื่อแก้ทุกข์อีกแล้วนะีนะ่ความทุกข์นะมันบีบคั้นเราตลอดเวลาแต่เราไม่เคยเห็นเยเราก็เลยประมาทนะเราคิดว่าอีกนานนะกว่าเราจะทุกข์นะต้องถูกเ้าหามมาเข้าโรงพยาบาลก่อนถึงจะทุกข์ในความเป็นจริงเราทุกข์อยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่เคยเห็นเลราก่องถหากนะท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 วัตถุธาตุ ท, าทั้งหลายเคลื่อนไหวตลอดเวลานะคราวหนึ่งหลวงพ่อไปอยู่กับหลวงปู่ดุลท่านก็ชี้ให้ดูว่าดูไหมแผ่นกระเบื้องเนี้ยก็เคลื่อนไหวได้กระเบื้องสาลาเอ็กกูติท่านเราดูไม่เห็นมันเคลื่อนไหวเลยนะมันก็อยู่กับที่ท่านบอกว่าข้างในมันนะมันประกอบด้วยอนูจํานวนมากเลยแล้วอนูเนี้ยเคลื่อนไหวดูสิพระไม่เคยเรียนหนังสือนะพระรียไม่เคยเรียนหนังสือนะท่านอธิบายเฉยเลย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 กำลังจะสิบหกเนี่ยความรู้สึกเป็นอีกแบบหนึ่งนะตอนอายุยี่สิบแปดเนี่ยความรู้สึกจะหวั่นไหวแล้วยี่ิบเก้าหวั่นไหวมากสามสิบหวั่นไหวเยอะเลยเห็นไหมพอสามสิบสองเนะ่ 32, นะยเฉยๆแล้วพอสาสิบแปดชักหวั่นไหวอีกรอบนึงแล้วนะเป็นไหมนะนี่เรื่องจริงนะสองกระจกนะตีนกาอันที่หนึ่งขึ้นนะกลุ่มใจมากเลยพอขึ้นอันที่ 20, นะยี่สิบนะเฉยๆแล้วนะคุ้นเคย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 จะกินข้าวก็ปฏิบัติทําได้นะเช่นวันนี้เดินลงไปลงอาหารโอ้โหมีแต่ของที่ชอบทั้งนั้นเลยสบายใจรู้สึกไหมสบายใจวันนี้เดินลงไปนะมีแต่ของไม่ชอบนะใจแห้งแรงเยไม่ชอบรู้สึกแม่ค้าพวกนี้ขาด Innovation นไม่มีความคิดริเริ่ม อ, อะไรที่ดีๆเลยไม่มีพัฒนาการเลยนะทำอะไรซ้ำซากเนี่ยกินมาส0สิปีแล้วเหมือนเดิม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 พวกเรามีใครเคยอาบน้ำในตุ่มไหมมีไหมในยกมือให้ด้วยหน่อยนี่ผู้ร่วมชะตากรรมนะสังเกตไ้ยเวลาหน้าหนาวเห็นตุ่มน้ำแล้วรู้สึกยังไงโอ้โเนี่ยเป็นความรู้สึกที่คนที่ไม่เคยรู้นะนึกไม่ออกอนะ่ะเห็นก็สยองละใช่ไเนี่ยถ้าเราสมมติหน้าหนาวนะเราเห็นตุ่มน้ำนะใจเราสยองละสยองรู้ว่าตอนนี้ใจมันสยองอาบน้ำขันที่หนึ่งกลัวมากที่สุดรู้สึกไหม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 เคยทุกข์หนักๆก็เหลือทุกข์น้อยๆนะเคยทุกข์นานๆก็เหลือทุกข์นิดเดียวสั้นนิดเดียวความทุกข์ผ่านมาพอแค่รู้สึกมันก็หายไปแล้วอันนี้ความทุกข์ทางใจนะความทุกข์ในร่างกายต้องมาปรึกษาหมอนี่แหละหมอก็ทุกข์นะนั่งสารเหมือนกัน <c oughs> พอสมควรพอไหมให้โบสถ์พ่อครับมีมีคนที่จะส่งกันบ้านอยู่ครับเชครับก็ขอท่านแรกเลยครับส่งกันบ้าน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 เจ้าค่ะแล้วยมต้องติดนิ่งไปไหมเจ้าค่ะขนาดนี้นิ่งเกินไปแต่ขนาดนี้มันเออเร่อ น, นะมันผิดธรรมชาติกลัวหลวงพ่อมันเลยนิ่งเจ้าค่ะกลัวเห็นไ้ยตัวจริงไม่นิ่งเห็นเริ่มเคลื่อนนะดูออกไหเจ้าค่ะเราปล่อยให้มันเคลื่อนแล้วเราตามดูไปเราถึงจะเห็นแต่ของไม่เที่ยงไม่ได้ฝึกให้เที่ยงเลยไม่ติดสมาธิใช่ไหมคะไม่มากอ่ะนะไม่มากคนนี้ติดแรงกว่า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 รู้สึกไหมตรงที่รู้ทันเนี่ยใจมันคลายออกรู้สึกไหมเนี่ยเราต้องหัดดูสภาวะยเงี้ยดูสภาวะจริงๆที่กําลังปรากฏพอรู้ปั๊บนี่ยมันจะคลายออกเองเลยแ้ใจเมื่อกี้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นขึ้นมาแวบหนึ่งรู้สึกไหมตอนนี้ไม่ใช่ตอนนี้กลับไปเพ่งไว้อีกละงงรู้ลงปัจจุบันมันงงรู้ว่างงรู้สึกไหมใจตะกี้นี่ที่ตรวงพ่อว่าดีกับตอนเนี้ไม่เหมือนกันตอนเนี้มันนิ่งนิ่งดูออกไหมเนี่เราติดสมถะนั่นงใจก็เลยนิ่งอยู่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 คือเผลอเพ่งประจําเลยอะค่ะเผลอไปเพ่งเคยชินอน ะ, เ ค, ะเคยชินที่จะเพ่งห้ามมันไม่ได้จิตมีธรรมชาติไหลไปตามความเคยชินถ้ามันจะเพ่งก็แค่รั่วมันเพ่งไปแต่ถ้ามันเพ่งไม่เลิกนะลืมไปเลย ล, มลยืลมคําว่าปฏิบัติซนะแล้วใช้ชีวิตธรรมดาธรรมดานี่แหละพอลืมก็สึกมันจะลืมยาวอ่ะคะ<ห>่ะวันลืมยาวไปก่อนไม่เป็นไ ร, รคนในโลกนะ เผลอน้อยนะเผลอวันละครั้งแต่เผลอตั้งแต่ตื่นจนหลับนะนักปฏิบัติจะเผลอแวบๆในวันหนึ่งนับไม่ถ้วนเลยนะแล้วไงอีกแล้วเกือบพอใช้ได้หรื อ, อยังนะบังคับตัวเองอยู่มันจะใช้ได้อย่างไงจนะให้หลวงพ่อชมหรือไม่มีคาแนะนําอะไรอย่านะคะ่ะอย่าบังคับตัวเองสินะเรียนรู้ตัวเองลองวางความรู้สึกใหม่วางใจเราใหม่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 ยีช่วเหระได้แค่ไหนก็แค่นั้นนะแล้วนั่งข้างนี้กันหมดเลยเหรอลหลวงพ่อต้องเปลี่ยนท่านั่งแล <c oughs> ไม่งั้นเดี๋ยวหมอต้องหาอะไรมาดามคอแลา <c oughs> <c oughs> อ้าวว่าไปคราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะเออโยมมีอะไรต้องแก้ไขไหมเจ้าคะอย่ากลัวสินะใจเราแย่แย่ให้มาเราก็รู้ทันรู้ลงปัจจุบันไปไม่ต้องแก้คําว่าแก้เนี่ยเป็นเรื่องของการทําสมถะกรรมฐาน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 เวลาจิตหลงไปคิดเรารู้ทันว่าจิตหนีไปคิดะให้คอยรู้ทันจิตไปอ้าวเชิญเจ้าค่ะแล้วถ้าขอกันบ้านแล้วเจ้าค่ะแค่นั้นก็เยอะแล้วมีสติรู้กายรู้ใจได้ทํากันได้ทั้งชอบเลยะเจ้าค่ะการบ้านอันนี้ทําเสร็จเมื่อไหร่ก็เป็นพระละหันเมื่อนั้นกล่าวนมัสการเจ้าค่ะอ้าวเชิญทำนมัสการค่ะอ่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 คอยดูเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวคอยรู้สึกเรื่อยๆรนะู้สึกไปเรื่อยๆต่อไปสติมันจะเกิดเร็วขึ้นเร็วขึ้นเป็นเนพราะสติอ่อนใช่สติทายังไงสติจะเกิดบ่อยต้องหัดดูสภาวะบ่อยๆเช่นดูร่างกายน่หายใจเข้าหายใจออกดูไปเรื่อยๆให้ดูกายเรื่อยๆใช่ค่ะยังดูใจไม่ไหวดูกายไปก่อนน ะ, ะเห็นไหมร่างกายพยักหน้าดูเพียงนี้ ต่อไปนพิธ ก, การหลวงพ่อค่ะพอดีก็เพิ่งฝึกมาสักระยะหนึ่งอะคะ่ะแล้วก็ฝึกปฏิบัติแบบในรูปแบบด้วยแล้วก็ดูแบบของพระอาจารย์ด้วยนะะก็เลยอยากรู้ว่าที่ทํามาพอจะอย่ไปกําหนดก็แล้วกันนะเพ่งเกินไปไหมคะอะไรนะเพ่งเกินไปไเกินไปนิดหน่อยนะให้สบายกว่านี้อีกนิดนึ่งนะการภาวนาในรูปแบบเนี่ยไม่ใช่การบังคับตัวเองนะ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 มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีอะไรไม่รู้ไอ้นั้นคิดเอาเองละอย่าไปคิดเอานะมันเป็นอดีตแต่หมดแล้วงั้นแค่โมโหคนนี้พุง่งรัวดขึ้นมาเราเห็นจิตมันโมโหขึ้นมาแค่นี้ก็พอละนะไม่ต้องไปคิดทบทวจ น, นอะไรนั่นดีอันนี้นไม่ดีไอ้นั้นเป็นวิชาที่จะอยู่กับโลกนะความประพฤติอย่างนี้ไม่ดีทีหลังเราไม่ทําอีกเลยแต่ไม่ใช่วิปัสสนาวิปัสสนาคือการรู้สภาวะแท้ๆที่เกิดขึ้นอ้าวว่าไปการธรรมทานลองพ่อครับ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 หรือถ้าเราภาวนานแล้วเราก็เห็นว่าเราดีอยู่คนเดียวคนอื่นเล ว, วหมดเงี้ยเขาก็ไม่เชื่อนะนั้นเราต้องมีความเปลี่ยนแปลงให้เขาเห็นมีความร่มเย็นเป็นสุขเขามาอยู่ใกล้เราแล้วมีความสุขอะไรเงี้ยเดี๋ยวเขาอยากภาวนาเองอนะ่ะครับอันปัจจุบันก็ดูเราก็ดูของเราแล้วก็ขอคุณยังดูแบบเครียดเกินไปนะจงใจแรงไปครับนะให้เป็นธรรมชาติมากกว่านี้ดูไปสบายๆดูกายมันทํางานดูใจมันทํางานดูไปเรื่อยๆนะ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 พอไหลแวบรู้สึกแวบรู้สึกง่านใช้ได้กราบณัฎกาหลวงพ่อค่ะคือขณะนี้คือที่ภาวนาอยู่ประมาณเดือนหนึ่งที่ผ่านมาค่ะหลวงพรู้สึกว่าสติจะเกิดบ่อยในขณะที่เดินค่ะหลวงพ่อถ้าถนัดเดินเราก็เดินสิยังมีแรงเดินก็เดินไปแล้วก็จะเรียนถามหลวงพ่อว่าการภาวนาขณะเนี้ค่ะยังอยู่ในร่องในร้อยเปล่าครับอยู่อยู่ยังยังกดยังเพ่งอย่างี้ค่ะกดนิดหน่อยค่ะก็เห็นอยู่แล้วถามทําไม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 อย่างตรงนี้ไม่ได้นะไปรวบจิตเข้ามารู้สึกไหมไปเก็บเอาจิตรวบเข้ามาอย่างนี้ใช้ไม่ได้อย่างนี้เก็บกดนะงั้นรู้สึกสบายๆรู้สึกด้วยความผ่อนคลายรู้อย่างผ่อนคลายถึงเจะใช้ได้อย่าตอนนี้ออจิตหนีไปคิดทราบไหมทราบค่ะจิตนี้ไปคิดรู้เฉยๆนี่แอบไปคิดซ้ําอีกแล้วรู้สึกไหมนะทําเป็นทราบๆนะคิดไม่เลิกเลยะเนี่ยรู้ลองปัจจุบันรู้สึกไหมจิตขนาดนี้ไม่เหมือนตะกี้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 ไม่ได้ไปแทรกแซงนะขอบคุณไม่เข้าคอสได้ก็ดีแหรอกมาส ก, การ์ค่ะหลวงพ่อก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะออ่ า, อาจะกราบเรียนหลวงพ่อว่าเราจะทํายัง ไ, ไงในคะ่ะที่เราหลงอารมณ์อะค่ะคุกคขกากับมาแล้วเราเราไปจมอยู่กับตรงนั้นในขณะที่รเรารู้ไหมรู้ไหมว่าจิตจมลงไปทราบค่ะถ้ารู้ก็ใช้ได้แล้ว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 พอเข้าไปปล่อยเรียบร้อยแล้วเริ่มคิดอีกแล้วมือหักล้งกู้ค่าทุกใหม่แล้วความทุกข์ก็เกิดเป็นคราวๆนยไม่ได้ เ, ดเกิดตลอดเวลาเฝ้ารู้มันไปดูมันไปเห็นเลยความทุกข์จะมามันก็มาความทุกข์จะไปมันก็ไปเราห้ามมันไม่ได้ขอให้หลวงพ่อแนะนํานในการปฏิบัติค่ะไม่สาบารถจะมาขับตัวเองยังมาขับตัวเองอยู่แล้วไปดูจิตเอาเพราะจิตเคลื่อนไหวเร็วเป็นคนเจ้าคิดเจ้าแค้นนะ ใช่ไหมนั่นแหละไม่ลัวหกหรอกเราเป็นคนเจ้าคิดเจ้าแค้นดูจิตไปดูง่าย <c oughs> เพราะมันเด่นชัด <c oughs> โทสะเป็นอารมณ์ที่เด่นชัดอะต่อไปขอบคุณค่ะมรดการหลวงพ่อครับผมก็ปฏิบัติสองเดือนแล้วนะครับแต่ตอนนี้ผมอยากทราบว่าผมควรภาวนาดีขึ้นเยอะเลยจิตตื่นขึ้นเยนะตือนสิครับคุณ รูสึกแม่ใจเราเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูมากขึ้นมากขึ้นนะครับผมนี่ภาวนาอยู่ใช้ได้แล้วแล้วมีจะต้องปฏิบัติอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับทํางานนะัดเคลื่อนไหวร่างกายไปแล้วก็ค่อยดูมันไปเรื่อยครับผมดูไกลทํางานไปเรื่อยแล้วจิตเคลื่อนไหวมันจะเห็นชัดเลยครับผมนะคขอบคุณครับดีภาวนาใช้ได้ล้วนักวิชการหลวงพ่อค่ะเ อ, อนานักข่าวเนี้ยังกดอยู่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 ว่างไงอยากถามว่าที่ทํำอยู่นี่ถูกต้องหรือเปล่าคะ ท, ท<ำ>ําแล้วท <ำ S 2> <อ>ั ง, งนิ่งแล้วมันเกิดนิมิตขึ้นนั่นแหละติดสมถะอยู่นิ่งไปทําสมถะแบบไหนคือนั่งแล้วดูจิตตัวเองค่ะดูลงหายใจค่ะเอาเอะไรลงแล้วนั่งให้หลวงพ่อดูตรงนี้เลยลืมหลวงพ่อไปลืมไปนึกว่าเราอยู่คนเดียวเนี่ยรู้สึกไหมเราส่งจิตไปดูแล้ว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 นะเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วทำไปต้องรู้สึกตัวนะทำไปเห็นร่างกายมันหายใจใจเป็นคนดูเนี่ยเห็นปีติขึ้นมาใจก็เป็นคนดูมีความสุขขึ้นมาใจก็นคนดูนะทำสมาธิแล้ววันนี้ฟุ้งซ่านก็รู้ว่าฟุ้งซ่านใจใเป็นคนดูฝึกไปต้องก็มีใจที่เป็นคนดูในทุกๆสถานาการณ์นะถึงจะใช้ได้ถ้าฝึกแล้วเคลิมใช้ไม่ได้้นะฝึกต้องรู้สึกตัว ใครอยากหัดสมาธินะนั่งไปแล้วก็คอยรู้สึกอย่าให้เคลิมเห็น <He ard. S 2> ร่างกายนี้หายใจไปใจเราเป็นคนดูฝึกอย่างนี้ใช้ได้จิตแอบไปคิดทราบไหมบางครั้งก็ทราบอะ่ะหัดรู้บ่อยๆ <Okay. S 1> ต่อไปประจัยไหลแวบบรู้สึกเลยรู้เองอะ่ะเดี๋ยไหลอีกแล้วรู้สึกไหมรู้สึกรู้เฉยๆไม่ห้ามนะอย่าไปห้ามมันอาบไปหมดยัง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 ถ้เมื่อไรเดินด้วยความมีสติทุกก้าวที่เดินด้วยความมีสติเรียกว่าเดินชมกลมทั้งหมดงั้นอย่างเราเดินริมทะเลนะเห็นทะเลสวยใจเราชอบขึ้มารู้ว่าชอบอย่างนี้ก็ใช้ได้นะเห็นนกบินมาใจเราพอใจรู้ว่าพอใจเนี่ยกำลังเดินชมไปชมมาลดมาเฉียวโมโหแนละ้วรู้ว่าโมโหไปนะฝึกอย่างนี้นะฝึกไปอย่าไปฝึกให้นิ่งนะบังคับตัวเองแรงไป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 เราจะสามารถคิดวิธีแก้ปัญหาได้ประณีตกว่าคนที่กําลังมั่วอยู่กับปัญหานะเพราะฉะนั้นคนละเรื่องกันนะศา ส, สนาพุทธนี่เราฝึกจนกระทั่งใจเราสามารถเป็นกลางใช้เรามีความสุขมีความสงบได้ในถ้ำกลางปัญหาแล้วใช้สติใช้ปัญญานะีไปแก้ปัญหาเอาไม่ใช่ว่าไปภาวนาแล้วปัญหาจะหายลูกติดยาแล้วก็เลยหนีไปหา ห, าหลวงพ่อประโมท น, นะไปนั่งสมาธิเดี๋ยวออกจากวัดลูกคงเลิกติดยานั่นงโง่ที่สุดละ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 มันเด้งแล้วมันเด้งแล้วนะตอนไปนี้นะไปกินข้าวก่อนแล้วไปนอนให้สบายเลยนะมันเด้งแล้วไม่ต้องรีบกลุ่มใจหรอกตอนเนี้ถึงยังไงกลุ่มแค่ไหนนะก็ยังเด้งแล้วก็อีกตนนี้ก็เชื่อนะไปกินข้าวไปนอนตื่นขึ้นมาหัวบไบร์ขึ้นมาแนละ้วแม้มันถอนตัวเองออกจากปัญหาที่ก็เข้าไปคลุกวงในอยู่พอถอนตัวเองออกจากปัญหาได้เริ่มมองได้แล้วจะลดความเสียหายที่เกิดขึ้นได้ยังไง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 แต่ท่านพระอาจารย์ปราโมทปรามโมทโชขอท่านพระอาจารย์ได้โปรดรับผ้าไตรจีวรพร้อมด้วยสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลา ย, เ, ยเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพาน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 สัพเพปูเรนตูสังกปาจันโทปันนราโสยาทามานิชโชติราโสยาทาสั พ, พีตโยวิวัชชนตุสัพพโรคโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาธนาสีลิสนิจังุทธาปจายโนจัตตารุธรมาวัทันติอายุวันโนสุขังพระลัง